Oh, oh, oh. มาสู่โลกนี้เนี่ยรามาโดยลำพังเรามาคนเดียวแต่ว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเราโชคดีที่เราได้พบผู้คนมากมายที่เกื้เหลือเกื้อกูลเรามีความหมายมีคุณค่าต่อชีวิตของเรารักเราเมตตากรุณาเราเรตั้งแต่แม่พ่อญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายาย แล้วเมื่อเราโตขึ้นก็มีครูบาอาจารย์มีกระยาณมิตรมีเพื่อนนะที่เพื่อเฟือเพื่อกุลเราแล้วเราต่อมาก็ได้พบผู้ครองผู้เป็นที่รักของเราลงมทั้งมีลูกมีหลานได้พบได้เจอคนที่อ่อนวัยกว่าเราแต่ล้วนมีคุณค่า มีความหมายต่อชีวิตของเราแต่ความจริงก็มีว่าเนี่ยพกกับพรากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อเจอแล้วก็มีจาาเป็นเช่นนี้ไม่ว่ากับทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้รวมถึงผู้คนที่เรารักและรักเราที่มีความหมายต่อชีวิตของเรา ในยามพุกเรามีความสุขแต่เมื่อพลาดจากกันก็ย่อมมีความเศร้าโศกการได้เจอผู้คนที่มีคุณค่าถือว่าเป็นโชคแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีการจากที่ความสูญเสียในเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมเป็นธรรมดาที่เราจะมีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเขาจากไปเราจะทำอย่างไรกับความเศร้าโศกเสียใจนะั้น ส่วนนเราก็ต้องยอมต้องอนุญาตให้เรามีความเศร้าโศกเสียใจการที่เราจะไปกดข่มผักห้ามใจไม่ให้เศร้าโศกย่อมเป็นเรื่องยากแม้เราจะรู้อยู่ก่ใจว่าการสูญเสียการจากไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อมีความผูกพันกันเสร็จแล้วในยามที่ต้องจากกันก็ย่อมเศร้าโศกเสียใจ การอนุญาตให้ตัวเองเศร้าโศกแทนที่จะหักห้ามกดคมเป็นสิ่งที่อาจจะมีประโยชน์สำหรับเราแต่ถ้าว่าเราปล่อยให้ความเศร้าโศกนั้นเนี่ยฉุดเราดำดิง่งจนไม่เป็นอันทำอะไ ร, ร, รจนจับเจา้าเศร้าส้อยอันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่า เรากำลังปล่อให้ความเศร้าโศงนั้นเนี่ยทำร้ายเราจะจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความเศร้าโศงนั้นเนี่ยมันกัดกินใจจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมในเมื่อคนที่เรารักได้จากไปแล้วมีทางใดที่เราจะทําเพื่อช่วยบรรเทาความเศร้าโศงในทางพุทศาสนาเนี่ย นั่นก็มีวิธีการที่จะช่วยให้เราบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจเนยียมคนรักจากไปด้วยการทําบุญอุทิศให้เขาหรือว่าอุทิศให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ประสบสุขในสัมเระพบเพราะเราเชื่อว่าผู้ที่จากไปอยู่ในภพภูมิใหม่แม้จะเอาอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์สินเงินทองคนรักชื่อเสียงกิตติยศ แต่ว่าบุญจ่อมตามติดไปและถ้าหากว่าผู้ที่ยังอยู่ได้อุณทิพย์บุญกุศลไปให้ก็จะเป็นการช่วยท่านได้ประสบสุขในสัปภาร ะ, ะพกไม่ได้ทำเช่นนี้เนี่ยลูกหลานที่ยังอยู่ก็จะรู้สึกคลายจากความเศร้าโศกไม่มากก็ น, น้อย แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่เราจะทำได้เพื่อช่วยบรรเทาความเศร้าโศกมีพิ่อยู่คนหนึ่งเนี่ยวันดีคืนดีก็สูญเสียสามีซึ่งจากไปเพราะโรคม า, าลาเรียม า, าลาเรียที่มันเป็นโรคคนจนนะไม่กี่เดือนต่อมาเธอก็สูญเสียลูกชายคนเดียวจากอุบัติเหตุรถยดิน พอสูญเสียทั้งสามีและลูกเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าชีวิตเธอไม่เหลืออะไรแล้วเจ้าโศกเสียใจหมดอะไรแต่อยากจะชีวิตแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพราะไม่เหลืออะไรแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้ถึงการฆ่าตัวตายแต่แว่าเธอเป็ยังช่างใจไว้ได้เธอเป็นพนักงานทําความสะอาดนะคลินิกแห่งหนึ่งไม่ได้ร่ารวยนะ ว น, นึงเนี่ยกลับทำงานเสร็จเธอก็เดินกลับบ้านตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วตอนที่เดินกลับบ้านเนี่ยก็มีแมวพร้อมโซตัวหนึ่งวิ่งตามเธอมาเธอก็ mm hmm. ที่แรกก็ไม่สนใจเธอไม่มีใจให้กับอะไรหรอกเพราะเธอยังเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียสามีและลูกแต่พอเดินมาถึงบ้านเนี่ย แมวก็ยังตามเธอมาเธอแล้วก็สงสารนะเพราะว่าตอนนั้นมันมืดแล้วแล้วมันก็หนาวมากก็เลยอุ้มแมวตัวนั้นเข้ามาในบ้านเนื่องจากมันหอมโซมากเธอก็เลยรินน้ํานมอให้มันกินเต็มจานเพรามันดีใจมากมันเลี้ยจ น, นหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาคลอเครียร พันแข้งพันขาเธอเธอเห็นเธอก็อดยิ้มไม่ได้เพราเธอก็โฉกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันยิ้มไม่ได้นี่นานแนละ้วหลายเดือนแล้วนะทาไมฉันยิ้มได้แล้วเธอก็ได้คิดต่อไปว่าเ น, นี่ยถ้าการช่วยทําให้แมวมันหายผิวทําให้ฉันยิ้มได้การช่วยคนเพื่อนบ้านผู้อื่นใช่ใชค่ะใช่ค่นการทำให้ฉันมีความสุขอะ เช่นกันวันลุกงขึ้นเนี่ ย, เ, ยเธอก็ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยมานานไม่ได้ไปมือเปล่านะเธอทำขนมนะติดมือไปด้วยเพื่อนบ้านพอเห็นเธอก็ยิ้มมีความสุขเธอเห็นเพื่อนบ้านมีความสุขเธอก็คอยมีความสุขไปด้วยแล้วเธอก็ได้ตระหนักว่า การช่วยคนที่มีความสุขเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขด้วยเหมือนกันนับแต่นั้นมาทุกวันเนี่ยเธอก็จะต่อไปทาความดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกวันแล้วเธอก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นจกนกระทั่งเธอคลายจากความเศร้าสู่แต่ก่อนเธอนอนไม่ค่อยหลับเลยแต่ตอนนี้เธอ หลับได้จากคนที่มีความเศร้าโศกจมดินอยู่ความห่อเหี่ยวกับมามีทลังมีความสดชื่นเพราะอะไรนะเพราะเสิรได้ช่วยเหลือผู้อื่นการที่ได้ช่วยผู้ื่นที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นการปลูกพลังเมตตากรุณา และมาเติมความสุขให้ใจซึ่งสามารถจะขับไล่ความอเศร้าออกไปจากจิตใจได้ mm. เหมือนกับ mm. น้ำเสียเนี่ย mm. ถ้าเราปล่อยน้ำดีเข้าไปน้ำดีมันก็ขับไล่น้าเสียไปโดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปวิ์น้้าเสียซึ่งเหนื่อยแต่ปล่อยให้น้ำดีเข้าไปที่สามีภริยาคู่หนึ่งนะ รักกันมานานรักกันมากอยู่ด้วยกันมาสี่สิบห้าสิบปีแทบจะไม่เคยแยกจากกันเลยเพราะเข้าใจกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยสามีก็ป่วยหนะักจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายภรรยานี่เสียใจมาก แล้พอเธอคิดถึงวันที่สามีาจากไปเนี่ยเธอรู้สึกทำใจได้ยากใจเธอหวั่นไหววหนึ่งเธอก็บอกสามีว่าเนี่ยฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเธอสามีเนี่ยได้เตือนสติเธอให้คาแนะนำเธอว่าถ้าฉันจากไปเมื่อไหร่ก็มอบความรัก ที่มีให้กับชั้นเนี่ยนําเป็นมอบให้กับผู้อื่นต่อไปภรรยาทีแรกก็ไม่เข้าใจหมายว่ามีใหม่เหรอสามีไม่ได้แนะนําอย่างนั้นสามีแนะนําให้เธอเนี่ยเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อให้กับผู้คนเหมือนกับที่เคยเผื่อแผ่อบอ้อมอารุณให้ให้กับเขา เธอคนที่ทุกข์ยากคนที่ลำบากพอสามีเสียชีวิตเนี่ยผู้เป็นภรรยาก็เศร้าสู่เสียใจแต่ก็นึกถึงคำของสามีเธอก็พยายามที่จะออกไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเด็กกำพร้าคนไร้บ้านคนยากนจนหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่ถูก ทอดทิ้งเธอทำแบ้ทุกวันทุกวันพราะเถึงคําสอนคําแนะนําของสามีและในที่สุดเนี่ยเธอก็หลุดจากความเศร้าโศกได้เธอกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสและมีพลังในการที่จะเดินเนินชีวิตต่อไปเธอหลุดจากความเศร้าโศกเสียใจได้เพราะคําแนะนําของสามี ซึ่งสารสนคัญคือว่าให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือนึกถึงผู้อื่นซึ่งที่ช่วยบรรเทาวความเศร้าโศกได้นะก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการนึกถึงผู้ที่ทุกข์ยากและไม่ใช่แค่นึกถึงอย่างเดียวแต่ว่าลงมือทำอย่าง น, น้อยๆเนี่ยมันไม่ทำให้เศร้าจมันไม่ทาให้เจ้าจุกและจมในความเศร้าจ น, สนเส้นแรวซึ่งแหล การที่คนเราจะขยับออกไปทำอะไรสักอย่างเนว่องาสิ่งที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์และยิ่งเป็นสิ่งดีงามมันก็ช่วยนำพาความสุขมาเติมเต็มให้กับจิตใจจนขับไล่ความเศร้าความทุกข์ออกไปได้การจากไปของคนรักสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยนะสำหรับทุกคนมันคือความสูญเสีย แต่อย่าไปาให้มันเป็นความสูญเสียเท่านั้นทําให้มันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ทําให้มันเกิดคุณค่าเกิดความหมายขึ้นมากับชีวิตของเรากับชีวิตของผู้นเรียงอยู่คุณแม่คนนึงเนี่ยสูญเสียลูกสาวอายุเพิ่งสิบป้าเมื่อรับสองสองปีที่ผ่านมาลูกสาวกำลังน่ารักแม่ก็เศร้าสศกเสียใจมาก แต่วันนึงเนี่ยแม่เหลือไปมองเห็นจักเย็บผ้าจักเย็บผ้าเนี่ยเป็นของขวัญที่แม่ซื้อให้ตอนที่เธออายุสักเก้ารสขวบเพราะ่าเธอเป็นคนชอบเย็บผ้าแม่เลยซื้อจักเย็บผ้าให้แล้วลูกสาวเนี่ยก็ใช้จักเย็บผ้านในการเย็บผ้าทำเปลือกหมอนทำปลอกหมอปลอกหมอนทำผ้าพุมไายทำอะไรต่ออะไรมากมาย เป็นของขวาญให้กับแม่เป็นของขวัญกับคนผู้คนแม่นึกถึงลูกเห็นจักเย็บผ้าก็เลยเกิดความคิว่เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยชอบเย็บผ้าด้วยจักเครื่องนี้แม่ก็เลยอยากจะใช้จักเครื่องนี้เนี่ยให้มันมีคุณค่ามีความหมายต่อลูกก็เลยช่วงนั้นมันเกิด โควิดแทบระบาดเจอให้จัดใช้จากเย็บผ้าของลูกนี่แหละนะเย็บหน้ากากทำอย่างดีแล้วก็ชวนลูกชายมาช่วยทำด้วยหน้ากากที่เย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรนะเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยขายเพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยสับสนุนหมอพยาบาลที่กำลัง อยู่แนวหน้าช่วยผู้ป่วยโควิดการที่เธอใช้จักเย็บผ้าของลูกเนี่ยทำสิ่งดีที่มีประโยชน์ต่อผู้คนมันช่วยทำให้แม่เนี่ยคลายจากความเศร้าสู่ในด้านหนึ่งนะก็ยังนึกถึงลูกอยู่แต่ด้านหนึ่งก็ภูมิใจว่าได้ ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อเป็นอนุสร์ถึงความรักที่แม่มีต่อลูกแม่คนหนึ่งนะสูญเสียลูกสาวซึ่งกำลังเียนอานข้อช่รุงโรดเรียนจบจากเมืองนอกเศร้าโศกเสียใจมากแล้ววันนึงก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยลูกเนี่ยเป็นคนชอบต้นไม้ลูก ตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะปลูกป่าในบ้านเกิดแต่ลูกก็ไม่มี่อกได้แม่นึกถึงลูกนึกถึงความฝันของลูกก็เลยสานต่อความฝันของลูกเนี่ยด้วยการปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันความรักที่มีต่อลูกเนี่ยนะมันันดนบรดานให้แม่เนี่ยมีเรี่ยวแรงที่จะเดินขึ้นเขาแล้วก็ปลูกต้นไม้ทีละต้นทีละต้น เป็นต้นไม้ที่ลูกรักเธอทํางี้เนี่ยไม่ใช่แค่อาทิตย์หรือเดือนทําเป็นปีต้นไม้แต่ละต้นที่โตเนี่ยมันทําให้เธอรู้ภาคภูมิใจว่าเนี่ยดีดีที่ได้ทําดีดีที่สารฝันของลูกแล้วก็รู้สึกว่าลูกนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ลูกก็ได้เติบโตกลายเป็นชีวิตใหม่ในรูปของต้นไม้ แม่ทำมิวั่สิบปีนะจนภูเขาที่มันโล้นเตียนเนี่ยมันมีต้นไม้ร่มคลึมแล้วต่ตหลังเนี่ยคนในหมู่คนที่อื่นเนี่ยพอรู้ข่าเนี่ยก็ประทับใจก็มาช่วยมันปลูกต้นไม้บนเขาลูกนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเขาที่หัวโล้นเนี่ยพื้นที่เป็นร้อยร้อยไร่ให้กลายเป็นป่าใหญ่ แม่กลรยจความซอกโศกเพราะได้สารฝันของลูกแล้มีความภาคภูมิใจที่ความฝันของลูกเนี่ยมันได้นำไปสู่ประโยชน์สร้างสรรค์เรื่องราวเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่มันชื่อเห็นว่าการทำสิ่งดีงามไม่ว่าจะเพื่อเป็น อ, อนุสรของลูกของผู้ที่จากไป เพื่อสารฝันของเขาหรือเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของเราและบรรเทาจากความเศร้าโศกได้มันคือวิธีการที่ทำให้การจากไปงคนที่เรารักเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความสูญเสียแต่มันยังมีมิติของความสร้างสรรค์แตตมาคิดว่าหน้าที่ของเราอยา่างหนึ่งนะที่มีต่อผู้ที่จากไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผุประกาศหรอือคนรักหรือลูกหลานของเราเนี่ยคือทำให้การตายเขามีคุณค่าถ้าเราปล่อยใจจมอยู่ความเศร้าโศกเสียใจหด ห, หู่อเคียวนั่นเรากำลังทำให้ความตายเขาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเลวร้ายที่ซ้ำเติมชีวิตจิตใจของผู้เยี่ยงอยู่ มันคงไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะให้เกียริหรือว่าแสดงความความรับผู้ที่จากไปโดยเพราะพูดเป็นบุปการีซึ่งอยากจะเห็นเรามีชีวิตใหม่ก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปโดยใจที่สดชื่นแบบบา้น้บีพูด็นบุพการีจะ ปวผูพพูเสียใจถ้าเขามียานวิถีอย่างรู้ว่าการตายของเขาทําให้ผู้ที่เขารักตกต่ำย่ำแย่จนบางทีคิดสั้นแต่เขายินดีในสัมภารพบนะเราก็ต้องทําให้ความตายเขามีคุณค่าขึ้นโด้วยการอาศัยความตายก็เป็นแรงบันดาลใจในการทําความดีทําสิ่งสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งแกเราผู้เที่ยงอยู่แล้วแกสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าความเศร้าโศนเนี่ยมันมันเหนียวรั้งไม่ให้เราอยากจะทำอะไรมันจะพยายามดึดแล้วก็ฉุดเราให้จมดิ่งอยู่ความดำมืดเหมือนกับสิ่งที่ฉุดให้เราจมอยู่ในน้ำแต่ถ้าว่าเรารารู้ถึงความดีของเขา อยากจะให้ความตายเขามีคุณค่ามันจะเกิดแรงขึ้นสู้ขึ้นมาเดี๋ยวพราะถ้ามีกระยาณมิตรจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะทําสิ่งดีงามเพื่อทําให้ความตายขขามีคุณค่าขึ้นมาธรรมาาต่นี้คือหน้าที่อย่างหนึ่งนะของผู้ที่ยังอยู่ไม่ใช่จัดงานศพให้สมเกียรติไม่ใช่จัดงานศพตามเจตนาลมของข้าเท่านั้น แต่ทำให้การตายก็มีคุณค่าเหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่ชีวิตเขามีคุณค่าอย่างไรเราก็ทําให้ความตายก็มีคุณค่าอย่างน่าหรือยิ่งกว่านั้นแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าแม้คนที่เรารักจากไปแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังอยู่ คนที่ยังอยู่เหล่านั้นเนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายหลายคนสักวันหนึ่งก็ต้องจากไปเช่นกันคำถามคือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อเขาจากไปอันนี้เป็นการบ้านที่เราทุกคน ต้องคิดเป็นคําถามที่เราทุกคนต้องตอบหลายคนได้จากไปไม่มีวันกลับแต่นั่นคืออดีตแต่มีหลายคนที่ยังอยู่กับเราอายุมากกว่าเราก็มีอ่อนยาวกว่าเราก็มีแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่การจากไปมันเกิดขึ้นแน่โดยเพราะเมื่อเราต่างกันความจริงว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนนั้นจะมาคิดว่าเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อรับเหงาการจากไปของคนที่เรารักซึ่งตอนนี้อาจจะยังอยู่ใกล้ตัวเราอาจจะอยู่ในบ้านเราเป็นที่รักของเรา เราจะทําอย่างไรนะเพื่อว่าใจจะไม่เศร้าโศกจมดิ่งยู่ความสิ้นหวังพอเหี่ยวยามที่คนรักของเราจากไปในวันหน้าสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือว่าเตือนใจตัว อ, อยู่เสมอว่าคนที่เรารักเศรวันนี้ต้องจากไปถ้าจากก่อนเราถ้าจากทีหลังเราก็แล้วไป แต่ถ้าจากก่อนเราอันนี้คือการบ้านข้อหยัการเตือนใจให้ระลึกถึงความถึงชีวิตของคนที่เรารักที่ไม่เที่ยง น, นี่เป็นสิ่งที่เราพึงระลึกนึกถึงอยู่เสมอระลึกว่าเขาเศว่าเนื้อต้องจากไปถ้าเราเตือนใจอย่างนี้อยู่เสมอ เมื่อถึงวันที่เขาจากไปจริงๆเราจะทําใจได้มากการที่เราไม่ได้นึกถึงเลยว่าคนที่เรารักเนี่ยจะจากไปเนี่ยนี่เป็นความประมาทอย่างยิ่งแล้วผู้คนเนี่ยทุกทรมานเพราะความประมาทอย่างนี้เนี่ยมีไม่มีนับไม่ถ้วนอาจจะเป็นเพราะเขาเขา ล, ลืมหรือเพราะเขาไม่กล้าที่จะคิด เราจะคิว่าการทําคิดเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการแช่งอภิมงคลคนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะมันเป็นการกระหน่ำดึงความจริงของชีวิตที่กระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทในนามพุทธศาสนาเนี่ยทําแล้วก็ตามที่กระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็นมงคลคนนะอภิมาโทจตทำเมสุตเอตัมังคาุตมุตตมังความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงข้อนี้เป็นมงคลคนอันสูงสุดประการหนึ่ง นึกไว้บ้างว่าคนที่เรารักพ่อแม่ลูกหลานคนรักเนี่ยจะต้องจากไปไม่ช้าก็เร็วมันมีบทพิจารณาความจริงบทหนึ่งนะชื่อว่าอภินัปัปจะเวทแปลย่อว่าเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความแก่เป็นธรรมดาที่ลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาที่ลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นของรักของชอบใจนี้ลวมทั้งคนรักเลยนะเราต้องพัดพลาดจากคนรักทั้งนั้นเตือนใจตัวเองเอาไว้ด้วยบทพิจารณาหรือบทภาวนาบทนี้เรื่อยๆในําให้เราเนี่ย มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ่มภูมิคุ้มใจในเวลาที่เกิดความสูญเสียอันนี้เรียกว่าทำจิตนะการพิจารณาถึงอนิจจังของทุกชีวิตรวมทั้งคนที่เรารักแต่ฉานั้นไม่พอนะสิ่งนี้ที่สำคัญมากคือการทำความดีกับคนที่เรารักถ้าเราทำดี กับคนที่เรารักอย่างเต็มที่มีเวลาให้เขาถ้าเป็นพ่อแมนะ่ก็มีเวลาพูดคุยมีเวลาเยี่ยมเยียนนะมีเวลาดูแลมีเวลาใจใสถ้าเป็นลูกเนี่ยนะก็หล่นการมีเวลาที่จะอยู่กับเขาให้เวลากับเขามอบความรักให้กับเขารวมทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาการทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักทุกโอกาสมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความสูญเสียรับมือกับการจากไปเขาได้หลายคนเนี่ยเศร้าโศกเสียใจ เมื่อคนรักจากไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเศร้าโศกเสียใจธรรมดานะมันเจอได้วยความสุดผิดว่าตอนที่เขาอยู่เรามีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆให้กับเขาแต่เราละทิ้งโอกาสนั้นไปความเศร้าโศกการเวลาช่วยเยียวยาได้แต่ถ้ามันมีความสุกเจือปนวยแล้วนี่น่าจะบาดกินใจ โดยที่เวลาจะไม่ช่วยเยียวยาเท่าไหร่ถ้าเราไม่อยากถ้าว่าเราดูแลเขาเต็มที่ทั้งในยามที่เขาปกติสุขและยามที่เขาเจ็บป่วยถึงเวลาที่เขาจากไปเนี่ยเราจะทำใจได้มากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่เราได้ทดีที่สุดแล้วและความสุขทิศเนี่ย มันก็จะบบยตีเราน้อยลงเพราะเรามั่นใจว่าเราได้ทำดีที่สุดกับเขาแต่บางทีคนเราเนี่ยก็ปล่อยปล่าน่เลยโอกาสซึ่งอัตมาเหว่ยเป็นโอกาสทองนะนยามที่เขมีชีิด อ, อยู่เนี่ยถ้าเราไม่รีบสช้โอกาสที่จะทำดีกับเขาเนี่ยเราต้องเสียใจในภายหลัง เจอพราะเมื่อเขาจากไปมันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ที่มาทําให้เราเนี่ยหลงลืมละเลยการทําเดียวคนที่เรารักส่วนเพราะเราคิดว่าทาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เหมือนกับงานที่ต้องทำต้องรีบทําเพราะมีเส้นตายกิจหลายอย่างในชีวิตงเราเนี่ยอีเวนต์หลายอย่างในชีวิตงเราเนี่ยมันมีเส้นตายที่ต้องรีบทํา มันไม่ใช่แค่งานการบางทีก็เป็นมีความสนุกสนานเพิดเพนส่วนการทำเยื่อผลิตละลังเนี่ยมันไม่มีเส้นตายเราก็เลยผัดฝันไปเรื่อยๆไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดเอาไว้ทำตอนสิ้นปีก็ได้ปีใหม่ตอนนี้มีอย่างอื่นให้ทำก่อนมีอย่าง ท, ที่ต้องทำงานที่ต้องทำให้เสร็จหรือว่า อะไรก็แล้วแต่แล้วพอผัดขอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเพราะว่าเขาจากไปไม่มีวันกลับนี่ต้องมีสิ่งเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ลหลงลืมในเรื่องนี้หรือไม่หมดแต่ผัดขอนมีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยจะมีเรื่องขัดแย้งกับแม่อยู่เป็นประจำเป็นธรรมดาของลูกชาย คือคงถือลูกสาวด้วยแต่ตลังเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องความตายก็ในตรนหนักว่าเนี่ยการที่จะปล่อยป ล, ละเลยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความประมาทเก็เลยตั้งใจนะว่าเนี่ยเวลาอยู่กับแม่จะเตือนใจตัวว่าเนี่ยเนี่ยจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้าย แกตั้งใจจะปฏิบัติกับแม่เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือวันสุดท้ายของแม่เพราะมันช่วยเตือนใจได้ดีมากจากเดิมที่เอาใจตัวพูดเสียงแข็งก็โชคโควกหัาก็กลับมาอ่อนโยนกับแม่มากขึ้นไม่เอาไม่ทาตามอารมณ์หรือทําตามใจตัวและความสัมพันธ์กับแม่ก็ดีขึ้นแต่มาเชื่อว่าถ้าหากว่า ความสมัมพันธ์กับแม่เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าดีขึ้นไปอย่างต่อนเนื่องเนี่ยถึงเวลาที่แม่จากไปหรือถึงเวลาที่ตัวเองจากไปเนี่ยมันก็จะไม่เรื่องข้างคาใจน้อยเพราะว่าทําความดีทุกโอกาสที่มีส่งนาตกรรมของคนเราเนี่ยประการก็คือว่าการที่เราผัดผ่นในการทําความดีกับคนที่เรารักเพราะเราคิดว่า ยังมีเวลาแต่น่าจะเป็นความประมาทที่ต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงนิ่พิยมคนหนึ่งนะเธอตั้งแต่แ็กเลยเธอก็อยู่กับป้าป้านี่ก็เลี้ยงดูเธอมาตนกระทั่งเธอเรียนจบมัธยมเธอก็ไปเรียนต่อเป็นพยาบาลอีกจังหวัดหนึ่งและ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้กลับมาเยี่ยมป้าจนถ้าไปเป็นโรงพยาบาลไปเป็นพยาบาลอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งในภาคกลางยิ่งไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมป้าตั้งใจจะไปหลายครั้งก็ไม่ได้ไปเพราะงานจนกระทั่งวันหนึ่งป้าป่วยหนักป้าก็เลยก็เลยเธอก็เลยติดต่อให้ป้าเนี่ยมา ดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เธอเป็นพยาบาลแต่เธอก็ไม่เคยมีเวลาไปเยี่ยมป้าทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันงานเยอะก็จะไปเยี่ยมหลายทีแล้วในห้อง ICU ก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาตรงทั่งเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยเธอตั้งใจเนี่ยเสาร์ที่เนี่ยจะไปเยี่ยมป้าแต่พอถึงวันศุกร์มีเพื่อนชวนไปเที่ยวพัทยา เธอไม่เคยไปเที่ยวพัทยาไม่เคยเห็นน้ำทะเลก็คิดว่าเนี่ยไปเที่ยวก่อนนะกลับมาแล้วค่อยมาเยี่ยมป้าบอกว่าวันลาทิตย์เย็าทิตกลับมาถึงก็จะไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลถึงจนกระทั่งมาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาเจอเพื่มนพยาบาลด้วยกันแล้วก็ได้ยินข่าวร้ายว่าป้าเพิ่งจากไป วันนั้นเองไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นพนะ่อเธอเสียใจยมากเลยนะเจอเสียใจยที่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้มีเวลาแม้กระทั่งไปเยี่ยมป้าผู้มีพระคุณเพราะเธอที่ว่ามันมีเวลาเธอรู้สึกเสียใจยนะที่เห็น ก, การเที่ยวเห็นการความสนุกสนานและป้าจากไปเนี่ย เป็นสิบปีเธอก็ยังไม่คลายจากความเศร้าโศกนึกถึงทีไรก็ร้องไห้อันนี้เพราะว่าผัดผ่อนการที่จะทำความดีแก่คนที่เรารักเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องรางพยาบาลคนหนึ่งเลยนะจะอยู่ภาคใต้ยายเนี่ยเลี้ยงดูเธอมาเพราะพ่อแม่เนี่ยไม่คมีเวลาต้องทำค้าขายจนกระทั่งพอเธอไปเป็นพยาบาล ก็หืนห่างจับยายแต่ว่าพอได้เป็นพยาบาลเนี่ยก็โชคดีดอยนะได้กลับมาเป็นพยาบาลในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดคือพัทลุงก็ได้มีเวลาอยู่กับยายบ้างไม่ได้มากหรอกเพราะว่างานเยอะพัะนึงยายป่วยเธอก็จิตต่อให้ยายมาดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่ยังดีที่ได้มีเวลาไปเยี่ยมเยียนบ้าง แต่ไม่่อมากวันหนึ่งยายบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าที่ทะเลน้อ ย, นยมีการสร้างสะพานใหม่ยายอยากไปเธอบอกว่าได้เลยยายแต่ว่าเสาร์ที่นี้ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนรับปริญญยายต้องไปช่วยไปช่วยเพื่อนยายก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ได้แต่พอถึงอาทิตย์หน้าพอผ่านอาทิตย์ไปบอกว่ า, วายายป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซ ไม่สามารถพายายไปดูสะพานใหม่ที่เทะเลน้อยได้และไม่มีโอกาสอีกเลยเธอเสียใจยมากนะเาาว่าให้เทะเลน้อยหรือสะพานใหม่นะมันอยู่ห่างจากโรงพยาบาลแค่ยี่สิบักยี่สิบกิโลใช้เวลาไม่นานพาไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ผัดผ่อนนะผัดผ่อนเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าการไปช่วยงานและปริญญาเพื่อนมัน เร่งด่วนมากกว่ามันผัดผ่นไม่ได้มันมีเส้นตายส่วนการพามย้ายไปเทเลน้อยมันทําเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยผัดผ่นสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทําจนยายเสียชีวิตก็เป็นบาดแผลในจิตใจนะนอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรานะแต่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับพยาบาลคนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็แทาจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะตอบแทนบุญคุณของยายเท่าไหร่ นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนจนํานวนมากเพราะว่าการผัดผ่อนที่จะทําความดีให้คนที่เรารักมันจึงนํามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเมื่อเขาจากไปและพอเข า, าสุดผิศเนี่ยที่ไม่ได้ทําความดีหรือให้เวลาคนที่เรารักเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันนําไปสู่การ สร้างความทุกข์ให้กับคนที่เรารักด้วยมีผู้ป่วยหลายคนเนี่ยที่เขาอยู่ในระยะท้ายแต่ว่าลูกหลานเนี่ยหลายครอบครัวเนี่ยไม่ยอมให้เขาจากไปอย่างสงบเพราะพยายามยื้อาไว้ทั้งที่การยื้อนี่มันสร้างความทุกข์ทรมารให้คนไข้แต่คนไข้ก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านขัดขืนได้เพราะว่า ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วยืดด้วยการเจออาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจหรือใช้ยากระตุ้นความดันทั้งที่มันไม่ได้สร้างมไม่ทําให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยแต่ทําไมถึงยืดเพราะลูกหลานรู้สึกผิดหนะ้าที่ว่าตอนที่พ่อแม่ปกติสุขเนี่ยนะยืนไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนนี้เขากําลังจะตายทําใจไม่ได้ที่เขาจะจากไปไม่จะเป็นการจากไปอย่างสงบ จะต้องยื้อเอาไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่กับเขามีเวลาได้อยู่กับเขามากขึ้นเป็นการทําเพื่อตัวเองแท้ๆเพื่อลดความรู้สึกผิดที่ไม่ได้มีเวลาให้กับพ่อแม่เกิด ป, ปรากฏการณ์ที่เราว่ากระตันยูเชียบพันกระตันยูเฉียบพันเนี่ยตอนที่เขาปกติสุขไม่ค่อยกระตันยูนะเพราะไม่มีเวลาบ้างหรือพ่ออะไรก็แล้วแต่แต่พอแล้วเขาจะป่วยหนักเนี่ยไม่ยอมให้เขาตายอย่างสงบ หรือตายโดยตามธรรมชาติแต่พยายามยื้อเอาไว้เพราะคิดว่ามันคือความกตันอยู่แต่ที่จริงมันเกิดจากความรู้สึกผิดที่ไม่ดีมนเวลาดูแลเขาเพื่อเลยอยากจะยื้อเขาไว้เพื่อให้ตัวเองได้อยู่เขาได้ไนานแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นโทษนะกับผู้ป่วยและสุดท้านเนยเมื่อคนรักจากไปตัวเองก็ทุกข์ทรมานเพราะความรู้สึกเราสามารถจะเลี่ยง ความทุกเหล่านี้ได้โดยการหันมาทำความดีให้เวลาคนที่เรารักเสียแต่เดี๋ยวนี้อย่าพัดคอนอย่าคิดว่ายังมีเวลารีบทาทันทีก่อนที่จะไม่มีโอกาสเพราะความตายเนี่ยมันจะพัพดพรากคนรักของเราไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าช่วงโควิดเนี่ยความตายันี่ยจะไม่ได้พัพดพรากคนที่เรารักอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเขาป่วย หนักแล้วก็อยู่โรงพยาบาลเมื่อไหรเนี่ยไอการที่เราแม่แต่จะไปเยี่ยมเยี่ยาก็ทําไม่ได้การที่จะบอกรักการที่จะขอเข้ามาหรือทําความดีอย่างอื่นก็ทําไม่ได้แนละ้วเพราะว่าสาม ก, การไม่เอื้อให้เราได้อยู่กับเขาต้องไปเขาอยู่คนเดียวจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเลยก็ได้ทั้งหมดี่เราพูดมาเนี่ยนเป็นการเตือนให้ตระหนักถึง วางแผนการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือความสูญเสียของคนที่เรารักแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับการจากไปของตัวเราเองด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งถ้าเราเระลึกเราพึงระลึกนะถึงความจริงว่าความตายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้ความไม่แน่นอน ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมันน่าพิจมกกว่าความแน่นอนว่าเราต้องตายนะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแต่ว่าอีกสามสิบปีข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าอันนี้ก็ยังขอทุ่เราอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะตายเมื่อไหร่ก็หมายความว่าอาจจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้เรืออทิศหน้าก็ได้นั่นหมายความว่าอะไรแล้วก็เราต้องเตรียมตัวอยู่เสมอและการที่เราเตรียมตัวเสมอเนี่ยนะ ในด้านนั้นก็หมายถึงการเจริญรอดด้วยการเจริญรอดนักสติเสมอโดยการเตือนใจว่าเราจะตายเมื่อไหรก็ได้ถ้าเราเตือนใจอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยพราอมรับมือความตายได้ดีขึ้นเพราะเราเผื่อใจไว้แล้วแต่ว่าขณะเดียกันเนี่ยนะก็ต้องทํากิจด้วยนะทําความดีเมื่อมีโอกาส และทำหน้าที่ที่มีอยู่โดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญแม่ข่างค้างโดยเฉพาะหน้าที่ต่อคนรับรวมทั้งฝึกใจรู้จักปล่อยวางทุกสิ่งถ้าเราทําความดีอย่างเต็มที่ทําหน้าที่ไม่มีข้างค้างหรือค้างขาและฝึกใจให้ปล่อยวางอยู่เสมอหรือปล่อยวางเท่าที่จะทําได้ถึงเวลาที่จะตายเราก็จะพร้อมรับมือความตายที่ดีขึ้น รู้สึกไม่รู้สึกเสียใจชีวิตกับชีวิตที่ผ่านมาภาพภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมามันก็ทำให้เราพร้อมรับความตาย ด, ดีขึ้นเพราะเรามั่นใจว่าตายแล้วก็ไปดีไม่ต้องห่วงอบายที่จะรอยอยู่ข้างหน้าลวนทั้งไม่มีความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลทำหน้าที่ต่อคนที่เรารักหรือที่ไม่ได้ปฏิบัติกับเข้าด้วยความอ่อนโยนังนั้นเราฝึก ถึกจิตทำใจและทำหน้าถึงเราให้ดีเมื่อถึงคาที่เราจากไปเราก็จะจากไปงสงบได้อัตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร